พ่อหลวงตาจะพูดอะไรให้ฟังอยุดในความสงบอย่าให้มีเสียงกระลงโกงกลางวะวันนี้เป็นวันที่18พุธจิกายนพุทธศักราช2559แต่คณะัทธา ญ, ญาจโจมคงจะแปลกใจทำไมหลวงพ่ออินจึงได้มาที่วัดหลวงพ่อปิว๋ววัดอะไรก่อนให้สับสจดูครับ เออซับสวนผูพุนะขนาดหลวงพ่อมาหลวงพ่ อ, อยังไม่รู้ไม่รู้จักชื่อวัดอีกต่างหากใช่ไหมนะเออแต่จำได้อยู่อยู่ทางทางนอกนะแต่พอเขามาอยู่ในวัดนเนี่ยหลวงพ่อก็เลยลืมลืมแม้ทั้งชื่อวัดนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้มาซับวัดซับสวนผูหลวงพ่อเออปิวของพวกเราแต่กระถินปีนี้นะกระถินผ่านไป ประมาณสักเดือนหนึ่งท่านคนนี้มลหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อติดภาระจัดทธาญาติโยมไปนอนค้างไปพักค้างที่วัดก็เลยจะหนีจากแขกคนมาก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาร่วมงานกรถินท่านแต่ก็ยังคิดอยู่ตั้งแต่ท่านมาริเริ่มสร้างวัดหลวงพ่อได้มาในงานท่านทําบุญอุทิศสวนกุศลให้โยมแม่ของท่านในคราวนั้น จากนั้นมาหลวงพ่อก็ไม่ได้มาต่างคนก็ต่างอยู่ตามภาระของแต่ละองค์แต่ละวัดแต่คราวนี้ทำไมหลวงพ่อจะได้มาพวกสัทธารยาจโยมก็คงจะคิดอย่างนั้นลักษณะเหมือนกันนะทำไมหลวงพ่อยงได้พโลกเพล่มาอย่างนี้คืออันเนื่องมาจากทางสำนัก พระลักวง่งเลือทุนกระหม่อมท่านจะสร้างโรงพยาบาลอโรงพยาบาลสัตว์นะที่ที่ท่านปาราลบพวกเราคงได้ยินเมื่อไม่นานมานี้นะอ่านออกข่าวว่าท่านจะสร้างโรงพยาบาลดูแลสัตว์พวกหมาพวกแมวพวกนี้แหละท่านก็จะทําโรงพยาบาลขึ้นมาทางฝ่ายคณะท่านก็เลยได้นิมนต์หลวงพ่อ ลงมาแล้วก็ได้มาวางศิลาฤกษ์เมื่อวานนี้ก็ทา้งผู้ราชการจังหวัดทงังเกี่ยวข้อพระองค์ท่านนั่นน่ะได้จัดงานขึ้นมาแล้วก็ได้วางศิลาฤกเสร็จแล้วเมื่อตอนเย็นบ่ายสี่โมงเมื่อวานนี้ที่เขาใหญ่เมื่อเสร็จแล้วหลวงพ่อ อ, อคิดถึงท่านอาจารย์ปิว๋วคงจะไม่อยู่ไกลเท่าไหร่มัง่งเพราะมาใกล้แล้วเนะี่ย จากวัดหลวงพ่อมากันหลายร้อยกิโลใช่มมาถึงเขาใหญ่จากเขาใหญ่มาที่นี่ก็คงจะไม่ไกลเท่าไหร่เพราะอยู่ในตีนเขาทางนี้หลวงพ่อก็เลยออกมาจากงานมืวานตอนค่ำค่ำำใกล้ใกล้ค่านะพอมาถึงที่นี่ก็ดึกพอสมควรท่านก็ยังทาวัดยังไม่เสร็จนะทวัดสวดมนต จากนั้นหลวงพ่อได้มาพูดสนทนาคาลยหาที่พักเนะี่ยแต่วันนี้ก็คิดว่าศรัทธาญาติโยมโกงไม่มากคงเป็นบรมีของอาจารย์ปิ๋วหลวงพ่อปิ๋วของเรานะศรัทธาญาติโยมเต็มไปหมดอาหารล้นหลามในวันนี้เห็นพวกเราแล้วก็อบอุ่นเหมือนกันนะพี่น้องอของเราแต่ตามไม่จริง หลวงพ่อกในฐานะถ้าจะว่าไปก็เป็นรุ่นพี่ของหลวงพ่อปิวหลวงพ่อเคยอยู่กับองค์หลวงตาท่านปิวคนนี้นเป็นผู้ดูแลอุปถัมภะถากหลวงตาหลวงพ่อเองก็รู้จักมักคุ้นเวลาจะเข้าไปหาหลวงตาช่วงหลังหลวงพ่อก็ได้ติดต่อท่านท่านปิวบ้างท่านน้อยบ้าง หลวงตาอยู่ยังไงไปยังไงอยู่ที่ไหนได้ละก็เลยรู้จักมักคุ้นกันมาเป็นพี่พี่น้องๆสรุปแล้วก็คือเป็นศิษยานุศิษย์เป็นทุกศิษย์ลูกหาลูกหลานขององค์หลวงตา อ, อันเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลามีโอกาสก็อยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็เดินไปมาหาสู่กันเหมือนกับพี่น้องไปมาหาสู่กัน ถ้าท่านไปทางนู้นก่อนนี่มอนถ้าลุงพ่อมาทางนี้ก็มาใกล้แล้วก็มาแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอ่าแสดงความเออค่ายว่าไปมาฮสูุกันคนโบราณเขาบอกว่าเออพวกโบราณคําพังเพยทางอีสานเขาบอกว่าถ้าหว่าพี่น้องไม่แวะไม่เวียนมาเยี่ยมกันเยือนกันแก้วอแก้วพอคัดะ สามปีเป็นแฮพี่น้องไม่แวะไม่แว่ไม่มาเยี่ยมกันสามปีเป็นคนอื่นออใครแค่ว่าแก้วไม่ขัดถึงจะเป็นของสดใสก็จริงแต่ไม่ขัดไม่ขัดไม่ล้างไม่ชมําระอแก้วไปนั่นก็เศร้าหมองไปเหมือนกับเหมือนกับก้อนหินถ้าหวัดพี่น้องไม่แวะมาเวียนเยี่ยมกันต่อไปกับ โดยกลายเป็นคนอื่นไปอันนี้แหละว่ากลายเป็นคนอื่น น, นี่แนหะอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นอ่ะพี่น้องที่ไปมาหาสู่กันค่ะเออเอามีโอกาสก็เข้ามาแต่ถึงยังไงก็ตามท่าว่าพวกเราถึงจะอยู่ไกลกันอถึงจะอยู่ไกลกันขนาดไหนก็ตามแต่ว่าจิตใจมุ่งหวังไปในในทางทางแนวแถวเดียวกัน หวังประกอบคุณงามความดีหวังพ้นทุกในวัฏฏสงสารไม่ขอมาวเวียนไหยตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็เหมือนอยู่ใกล้กันแต่ถ้าว่ายอยู่ใกล้กันก็จริงแต่แนวความคิด แ, กแตกต่างกันไปคนละทิศละทางถึงจะอยู่ใกล้กันกอะแขนกันอยู่ก็อเอแปลว่าใจมันห่างเหินกันเอในหลักเอ หลักทำคำสอนที่ท่านบอกท่านกล่าวไว้ว่าวิสาสะประมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งถ้าว่าไม่ใช่พี่น้องกันห่างเหิน อ, อยู่คนละทิศละทางกันคนละตระกูลกันอยู่คนละประเทศกันแต่ว่ามีความคุ้นเคยมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันรักเมตตากัน ถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็เหมือนกับอยู่ใกล้กันแต่ถ้าว่าเป็นพี่น้องออกมาจากท้องแม่เดียวกันก็จริงแต่ออกมาแล้วมีแต่เป็นอริศัตรูกันมีแต่จะข่มหันกันมีแต่จะฆ่ากันมีจะคดจะโกงกันมีแต่จะเบียดเบียนกันถึงจะอยู่ด้วยกันออกมาจากท้องแม่เดียวกันก็จริงอยู่แต่ก็เหมือนกับคนอยู่คนละคนละโลกกันเพราะจิตใจมันไปด้วยกันไม่ได้นะย ใหพวกเราสังเกตดูหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าวิสสาสะประมายญาติความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่ง เ, เพราะนั้นเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเรากันในลักษณะอย่างนั้นแหะแต่ถึงอย่างไงก็าตามนะที่หลวงพ่อจะพูดไปทสถานพูดไปในในลักษณะ ใ, ใดก็าตามนะแต่พวกหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้พวกเรา ท่านทั้งหลายห่างเหินจากศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากองค์หลวงตาที่ท่านพาดำเนินพาลูกพาหลานพาคณะสิทธิอนุสิ์ให้พวกเราไปฟังนในธรรมคำสอนขององค์หลวงตามีแต่ท่านแนะนำสั่งสอนให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ใ, ให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบนกุศลเวเนอร์พระเนรลูกหลานเนออยู่นสถานที่ใด ให้ประกอบคุณความเพียรให้ประกอบคุณงามความดีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าโลกใบนี้พวกเราท่านทั้งหลายเห็นถึงจะสร้างท้าวรวัตถุหรูหราโออารับผิดชอบขนาดไหนก็ตามอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องทิ้งทั้งหมดจะต้องทิ้งทั้งหมดเ อ, อเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างเพราะเหตุใดก็อย่างนี้ อย่างพ่อบาดเจ็บพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานะท่านกอรับผิดชอบประเทศชาติเป็นพ่อของประเทศชาติผลในสุด ท, ท่านก็ต้องวางมืออีกเหมือนกันนี่แหละนับภาษาอะไรจากพวกเราเนี่ยพวกเรามีอะไรเราเป็นใครเนีเ <c oughs> พราะฉนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านทั้งหลายท่านจะไม่ให้ตั้งท่านจึไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามขอบดี ให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกอันนี้แหละตายแล้วเกิดทว่าตายแล้วสูญก็ไม่มีปัญหาเราก็ไม่ต้องประกอบคุณงามความดีอะไรเพอตายแล้วสูญตายแล้วมันหมดไปถ้าตายแล้วเกิดอีกเนี่ยต้องคิดนะแต่องค์หลวงตาของเราสายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราให้เราพวกเราศึกษาทุกองคนะ์น่ะเ อ, อท่านบอกว่าตายแล้วเกิด เ, เกิดแน่นอนไม่พ้อยไรท่านพิสูจน์มาแล้วท่านภาวนาพวกที่ภาวนาจะรู้นะถ้าพวกนักเดาด้นเด า, เาพวกต้นเดาเกาหมัดไปเรื่อย อ, อันนั้นแบบตาบอดปฏิเสศเศไปเรื่อยอันนั้นเราจะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะเชื่อก็ต้องเชื่อพ่อแม่ครูบายจารของพวกเราแท่นแท่นภาวนาภาวนาทํำยังไง ตามหลักของพุทธศาสนาก็อย่างที่พระพุทธโลกท่านนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายที่พระพุทธองค์ที่พระ พ, พ, พุทธเจ้าได้ไปค้นคว้าศึกษาที่โคนต้นโพธิ์ที่ได้ตัดสรุ้พระอนุตตรสัมมาสาัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนอท่านจิตพระไทยของพระองค์ใจของพระองค์รวมสงบแล้วจากนั้นเกิดฌานเกิดญาณเกิดญาณรัตนะเกิดฌานขึ้นมา เกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะที่นั่งสมาธิพระ อ, องค์ละลึกชาติผลหลังได้ถ้าพระ อ, องค์ตายแล้วศูนย์ตายแล้วเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะละลึกถึงเมื่อวานได้ยังไงถ้าเรามาวันนี้เกิดมาวันนี้วันเนี้ย เ, เกิดมาเมื่อเช้าเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วจะละลึกถึงเมื่อวานได้ยังไงมันมีอดีตเมื่อวาน เ, าเดือนก่อนอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนมันมีเพราะฉนั้นท่านจึงละลึกชาติผลหลังได้ อันนึงมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเราก็เหมือนกันเถอะนี่วิธีการท่านก็นเดินตามแนวแถวพระพุทธเจ้าพาดําเนินท่านก็นั่งสมาธิพอจิตใจของท่านรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจเน่งจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งกายกับใจเป็นคนละอันกันะจะรู้ได้จะรู้ชัดด้วยตนเองเอหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้ พวกเราได้เห็นได้ชัดๆว่าร่างกายเหมือนกับรถนะพี่น้องลูกหลานสัตยาญาติโยมนะแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราต้องอาศัยใจเป็นผู้ขับเคลื่อนใจเป็นผู้รับรู้รับทราบแต่วิทนักวิทยาศาสตร์เขาเพียงพูดว่าใจคือเข า, าสมองสมองเป็นผู้สั่งงาน แต่หลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าใจใจมาสั่งสั่งสมองอีกทีหนึง่งวิทยาศาสตร์เขาคิดได้แต่ว่าก่อนที่จะสั่งออกไปเนี่ยคือสมองเป็นคนสั่งแต่ว่าหลักของพุทธศาสนาหัวใจมาสั่งสมองอีกทีหนึง่งเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์มันมีอยู่ในรถอย่างรถยนต์ของเราที่รถที่ทันสมัยที่รถราคาแพงๆจะมีหัวคอมพิวเตอร์อยู่ที่นั่น พอจะตัดเครื่องขึ้นมามันก็บอกระยะทางเท่าไรน้ำมันเท่าไรตาซ้ายตาขวาเท่าไร่ล้อซ้ายลากักล้อขวาอ่อนอย่างไงมันจะบอกหมดในคอมพิวเตอร์ในรถคันนั้นเอ อ, อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยพ อ, อตื่นขึ้นมาเนี่ย เ, เราก็รู้เลยสมองก็เริ่มไปไปใช้สมองทันทีเลยเหมือนกับเราจะตัดเครื่องคนที่จะตัดเนี่ยแต่รถตัวรถแทๆ้ๆมันก็ไม่รู้อะไร แต่คนที่จะตัดเครื่องนั่นนะคนที่ไปจต์เครื่องน่นคนนั้นรู้แล้วก็มองดูว่าน้ำมันยังเหลือมากน้อยแค่ไหนนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเหมือนกับรถคันหนึ่งรถราคาแพงแต่ใจของเราเข้ามาเข้ามาออบริหารจัดการมาดูแลสรุปแล้วก็คือเมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่ากายกับใจเป็นคนละอันกัน ในเมื่อร่างกายแตกตายสลายลงไปใจยะ อ, อกจากร่างไปปฏิสนที่ไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการกระทาการคิดการพูดการกระทาการพูดไม่เหมือนกันพอการกระทำไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันการคิดไม่เหมือนกันกรรมคือการกระทำมันทำได้สามทางมนโนกรรมคือแนวความคิดคิดชั่ว มันก็ไปทางต่ำาทำชั่วมันก็ไปทางต่ำาพูดชั่วมันก็ไปทางต่ำมไปทางเลว็วไปทางที่ไม่ดีถ้าคิดดีทำดีพูดดีมันตรงกันข้ามเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆุ ท, กท่านนะการทำกรรมทำได้สามทางเนี่ยถ้าเราภาวนาจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ด้ว ย, วยตัวเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครแต่ถ้าว่าพวกเรายัง ทำจิตใจให้สงบยังไม่ได้นะพวกเราก็ยังคลุมเครือเหมือนกันนะเพราะหตุไรเพราะว่ากายกับใจมันแยกกันไม่ออกอันไหนคือกายอันไหนคือใจแตถ่ถ้านั่งพวกเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบน่งเท่านั้นแหละจะรู้ได้ไม่ต้องถามใครอีกต่างหาก <c oughs> เมื่อจิตใจรวมสงบแล้วกายกับใจใจกับกา ย, เ, ยเห็นได้ชัดเลย ตัวใจนั่นหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ร่า ง, างกายเนี่เผาไฟทิ้งแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นมันไหลตูไหลออกไปสู่สภาพดินน้ำลมไฟทันทีเลยร่างกายแต่จิตใจคือนามมธรรมตัวนั้นหละออกจากร่างวาะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่า น, นจึงให้ความสำคัญใจมากกว่ากายท่านจึงว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนั่นแหละท่านให้ความสําคัญโซโฟเฟอร์มากกว่ารถนะในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาในจุดนี้นะให้ศึกษาแล้วก็ให้ปฏิบัติแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองจากนั้นก็เมื่อเรารู้แล้วนะแล้วเราก็ว่าน่ใจดวงนี้แหละจะพาไปเกิดใน้พบภูมิต่างๆพวกเราเนี่ยประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจท่านนี่ อันไหนที่จะเป็นเข้าสู่จิตใจบุญกุศลจุดไหนที่จะพาเราไปพบสู่สพบภูมิต่างๆในเมื่อเราตายไปแล้วนะเมื่อเราทําบุญบุญก็เข้าเป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนสองใจของดวงนั้นนะ่ะเป็นเพื่อนของโซเฟอร์นะคือเป็นเงินเป็นเงินเป็นทรัพย์สมบัติในเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของโซเฟอร์ลนะ่ะถ้าเราทําบาปโซเฟอร์ไม่มีไม่มีเงิน เออโซเฟอร์ไม่มีเงินจะเป็นยังไงโซเฟอร์ออกจากรถไม่มีเงินเออพวกเราคิดดูสิไปณัดสถานที่ไดนไม่มีเงินซื้อสิ่งของเมืองผีไม่ใช่เหมือนเมืองคนนะขอกันกินไม่ได้อีกต่างหากเออมันก็ต้องไปตามยถากรรมของตนเองไปเกิดเป็นช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะกรรมชั่วพาไปขนาดพระกรรมฐานภาวนาแท้ๆนะแต่จิตพอจะใจ จะรลุดออกจากล่างนะเอะโซเฟอร์จะรุดออกจากล่างเป็นห่วงรถนะเี่ออก็ยังมาเกิดเป็นตัวเล่นตัวไรได้ในหลักของพุทธศาสนาท่านพูดไว้อย่างนั้นนะพวกเราต้องศึกษาเพราะฉะนั้นให้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะขนศ้ศราชกาญาติโยมลูกหลานทุกคนสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนั่นแหละถึงจะตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญเราก็ไม่ต้องห่วง เ, เราประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแล้วนะ อถึงยังไงเกิดมาพบนี้ชาตินี้เราก็ไม่ได้เบียดเบียนหลังแกะเอารอดัดเอาเปรียบใครและไม่ได้ <Okay. S 1> เออทําให้คนอื่นเดือดร้อนเ อ, อเราก็ทําไปตามหน้าที่แล้วก็สั่งสมบุญกุศลด้วยเ อ, อเนื่อเมื่อเราตายไปเออเราก็ไม่ให้ทําให้ใครทุกข์ร้อนเดือดเดือดร้อนกับผู้ใดใครผู้หนึ่งะเออ เราเพียงจะให้ทําคุณให้กับประเทศชาตินี่แต่ทำบุญให้กับพพุทธศาสนาทําคุณให้พรรุทธศาสนาทําคุณให้กับพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะฉะนั้นเราทำเราคิดดีเราคิดดีดดทดําดีพูดดีคนที่คิดดีทดําดีพูดดีแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะอนาาาัตตาาญาตณจวงลูกหลานถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วและนะ้วน่ะไปทางต่นะํานะอคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วตามไม่จรงิงเออ สิ่งเหล่านี้นะเอาอะไรมาวัดนะคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเอาอะไรมาวัดนะก็เอาศีลธรรมของพระพุทธเจ้านะาการกระทอก็เอาศีลหาเนี่ยนะาการพูดก็เอาศีลมุสาเนะ่เอามาเปรียบเทียบนะาการคิดนะเราคิดยังไงคิดโลภอยากจะได้ของเขาใช่ไหมก็ไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองเราคิดเพยะเราคิดพ ย, า, ดพพยาบาทปล้องร้ายเขาไหม เราเราคิดเห็นออกจากนอกเห็นผิดจากศีลธรรมใช่ไหมทําดีไม่ได้ดีทําชั่วมันได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้เทว่าคิดชั่วน ะ, ะคิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดพยาบาทปลองร้ายเขาคิดเห็นทำผิดจากทํานองครองธรรมวัฒน์ทํานองครองทำเขาเนียกว่างขวางนะเอะ คือแค่ว่าตายแล้วศูนย์ตายไม่ตายแล้วไม่ได้เกิดทดําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีอันนี้แปลว่าคิดกินออกจากทํานองคลองทำละอแล้วลการการะทําก็เนี่ยผิดศีลห้าการพูดก็มุสาเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละให้เราเอาศีลจรธรรมของพระพุทธเจ้ามาหลังวัด น, นะคิดดีแล้วคิดชั่วทําดีหรือทําชั่วพูดดีหรือพูดชั่ว ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราทุกๆคนเองนะถ้าว่าพวกเราใช้สติใช้ปัญญาทบทวนดูตัวเองและจะรู้ได้นะเราคิดดีแล้วเขาเราคิดชั่วเราทำดีแล้วเราทำชั่วเราพูดดีแล้วเราพูดชั่วนะ่ไม่มีใครที่จะรู้ได้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆท่านเองนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อัฏโมตนาให้พร ล, ละพรในส น, นามมาพบมาเจอกัน ถ้าไม่พูดธรรมะไม่พูดเรื่องศิตลธรรมให้พวกเราฟังก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะพอพวกเราก็ฟังหมอร้องหมอรำจุดพ่อแรงอยู่ทางบ้านทางเรือนนะพาสู่วัดก็จะมาร้องรำทำเพลงให้กันฟังองีกมันก็ไม่ใช่พระต้องพูดเรื่องจิตลธรรมให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษานะจากนั้นก็เป็นแนวความคิดเนเมื่อฟังไปแล้วไม่ใช่จะให้เชื่อทีเดียวไม่ใช่นะ ไม่ใช่ให้เชื่อทีเดียวหลวงพ่อเคยพูดดูก่อนสาลิบุตรที่เราตถาคตโพสดไปนี่ตัดไปนี่เธอเชื่อไหมภาษาลิบุตรว่ายังก่อนพระเจ้าขา่ายังไม่เชื่อพระสงฆ์ทั้งหลายก็คือหากันโอภาษาลิบุตรหัวดื้อหัวล้านหัวแข็งขนาดพระพุทธเจ้าตรัสแท้ๆยังไม่เชื่อโอท่านองตนอย่างมากพระองค์บอกว่าเดี๋ยวเราจะถามถามท่านอีก ทำไมสาลีบุตรเธอจึงไม่เชื่อพ่อข่าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติพระเจ้าขา่าในเมื่อข้าพระองค์นำไปปฏิบัตินำไปกันกรองแล้วนำมาปฏิบัติแล้วจะมากราบทูลเพระพระองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าขา่าเชื่อหรือไม่เชื่อพระสงฆ์ทั้งหลายฟังเอาไว้เอาสาลิบุตรเป็นตัวอย่างได้ยินอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อให้ฟังไปแล้วก็นำไปปฏิบัติการกรองให้ดีแล้วนำไปปฏิบัติ เมื่อนำปฏิบัติแล้วนั่นน่ะออจะเชื่อเลยไปเชื่อยังค่อยว่าปรับมาปฏิเสธเอาเลยก็ไม่ถู ก, ป, กปุรับออกมาฟังแล้วก็เชื่อไปทั้งหมดก็ไม่ถูกนี่แหละหละักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้ปัญญานะขณะสธาญาติโยมลูกหลานนะ